ก็จะก็จะแต่ใช้นะครับเมืจะทำทุกท่า น, นะะจะเลยเนี่ยทำไม่ผิดแล้วก็ิธรรมทุกคนพกเราก็ได้ก็คนส่วนนะพระปธิธรรมเจตคัมีก็ถือว่าเป็นคนสวนที่ส่วนใหญ่พวกเราก็อาจจะเคยได้ฟังนะ พระธรรมขันธ์เนี่ยพระอริยธรรมอีกครึ่งหนึ่งนะฮะสี่มือต่อไปพระธรรมขันธ์นี่คือเรียกว่าในปฏิปิฏกอีกครึ่งหนึ่งคือพระอริธรรมอีกสองส่วนนะทะถ้ามัแบ่งเป็นสี่ส่วนนะอริยธรรมสองส่วนพระสูตรหนึ่งส่วนพระวินัยอีกหนึ่งส่วนนะพระอริยธรนี้ที่มาคือพระพุทธองค์ท่าน ไปจำปัสาวเนาะที่สวรรค์ชั้นดาวประดุงเราก็ไปโปรดพรนะพุทธมารดานะที่พรมารดาสวรรค์พระคตเราก็ไปจิตเกิดเป็นเทพนะ ท, นนะนะที่ชั้นดุจิเนาะที่ชันดุจจิตแต่ก็ผู้บัญไปชั้นดาวประดุงแล้วก็ในระดับก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าคนที่ดูแลสวรรค์นะ การ น, นี้ก็เชิญนะ่ะเชิญนะเชิญเทพประบุนะแล้วก็ทั้งทั้งหลายนะมาฟังมาฟังคํางอิงของพระพุทธเจ้านะท่านก็จำภาษายู่ที่สวรรค์สามเดือนเพราะตั้งใจใรีโปรพุทธมารดา อีกคึ้นหนึ่งทำไมพระเจ้าสอนเทวดาหรือพรมต่างๆละเอียดขนาดนั้นคงเรียกว่าสอนแบบนอนสต็อกนั่สอนแบบอธิบายแบบละเอียดมากอาจะมาพิจารณาเองนะ มีความสบายมีความคล่อมทั้งอย่างมันก็ยากที่จะเห็นธรรมะคือความทุกขนะ์เพราะว่ามันอยู่ในความสุขอยู่ในสภาวะที่สบายหรือสภาวะที่มันไม่เค่อยทุกข์อะ่ะทุกน้อยมากปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะจิตก็สงบมันมีความสุขดียากที่จะเห็นความทุกข์บนาะทีอะไรต้องอธิบายเยอะแยะมากมายนะให้มึง ที่นเป็นประมัดที่มันเป็นสัจจะอะไรต่างๆเยอะม า, มากกว่าเทวดาต่างจะเห็นทุกข <c oughs> ์เห็นทุกข์ก็ถึงจอยากจะพ้นจากสภาวะที่จะนเองเป็นสภาวะอะไรที่มันเป็นแล้วก็ติดง่ายๆคือสภาวะสุขสภาวะสงบนะสภาวะมันนิ่งมันมันดุดออกยากมากเราก็ไม่รู้ว่าเราเคยเกิดตรงนั้นหรือเปล่านะแต่ ก็เคยแบบบางทีจิตมันเป็นสมาธิจากการทําสมาธิสมาทานนะเมื่อมันมีความสุขมันมีความสงบเนี่ยมันมีความพอใจวันนี้เคยทําได้วันพรุ่งนี้ก็อยากจะทําให้มันได้เดียวกันนั้นหรือพอมันได้แล้วมันก็มันไม่ค่อยอยากจะรู้อะไรนะมันอยากจะแช่แค่อยู่กับอารมณ์นั้นน่ะ หรือทีมันก็ชอบเพราะว่ามันไปรู้นะั่นรู้นี่ที่มันจะเรียกว่าเกินวิสัยของของธรรมดาแบบนี้เนาะมันไปมันก็รู้นะนะแต่ตอนนี้ก็ทิ้งหมดละเป็นเหต่าตอนนั้นมันก็รู้สึกอะไระแปลกหรือว่าที่มันพิสดา ร, รนิดนหน่อยหน่อยนะนะมันก็รู้ของมันโดยโดยกําลังของสมาธิเนะ น, น่ะกําลังของความสงบ มันก็รู้สึกชอบนะมันก็รู้สึกชอบที่มันเหมือนมันเหมือนธรรมะมันต้องแตกแบบ น, นี้นะแต่ก่อนเลยคิดว่ารู้อะไแปลกแปลกรู้อะไรที่มันคนอื่นเขาไม่ค่อยรู้รู้อะไรแบบละเอียดละเอียดนะหรือมีอาการแปลกแปลเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ที่เราชอบเราดีเราก็ติดนะเราก็ติดก็ยังรู้สึกโชคดีนะโชคดีที่แม้ตอนนั้นทาสมาธินะ แต่ก็อยู่ที่สุประตูนะตอนนั้นอย่างที่พูดมาเมื่อตอนตอนเยนะ็นนักอามาก็ทําเนี่ยนะนะทาดูลมหายใจจนได้ความสงบสลาไปยกมือสร้างจังหวะโดยเชิงกรมนี่แหละนะทํามันก็ยังดีอะ่ะตอนแรกมันก็พอดแต่ตอนนั้นตอนนักแรกมันก็ชอบในการทําความสงบนะชอบในการทําสมาธาิเราก็มีรู้นะว่าเราติดสมาธาินะึกว่ามันสงบมันดีแนละ้ว คิดว่าเดี๋ยวทำสงบเยอะๆนิ่งๆเห็นอะไรแปลกๆเนอะไรพิสดาร น, นะเดต่อไปมันจะไปเห็นมันจะเกิดปัญญาเนะจิตมันจะเปลี่ยนของมัน น, นีึกว่าเดี๋ยวสงบเยอะๆดูอะไรแปลนๆนกๆเยอะๆแต่จิตมันจะเปลี่ยนเองคล้ายๆเหมือนแตนน่แรกก็คิดว่าเหมือนเหมือนเหมือนพรกแม่นางเปลี่ยนร่างนะบบมับนึกว่ามันแบบ เด๋ไปเรื่อยๆจำเป็นกัามันเองประมาณนั้นคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นก็ทําเกิดอาการว่นน้าพอสมควรเยอะแต่ก็ดีนะคือบางทีฟังคําสอนของพ่อตอ น, น, นแรกก็ไม่ค่อยค่อยใจหรอกนะนสอนเรื่องความรู้สึกตัวสอนเรื่องให้ดูให้เห็นอย่างก็เป็นๆนะก็เคยได้ยินบ้างตอนที่หลวงพ่อเทศแต่มันไม่เข้าใจนะมันเข้าแค่สมองแล้วก็ แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจแต่มันก็มาเตะใจเหมือนกันว่าพอมาสงบแล้วมันจะไปไนต่อเนาะมันก็ไปไม่ถูกเหมือนกันมันก็เหมือนเข้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วไปต่อมันเป็นมันมีแต่ต้องถอยออกมาพอกําลังสมาธิมันออดหรือเวทนาทางกายมันมากขึ้นความสงบคนนั้นมันก็หายไปนแต่มาเชื่อว่าถ้าคนที่ฝึกมามากว่านี้คงเข้าได้ดุกว่านี้แล้วก็อยู่นานกว่นี้ ล้ ว, วก็พเทวดาพบผมก็เหมือนกันนะ่ะมันต้องสบายแัว น, นี้ไม่รู้กี่เท่านะสงบไม่รู้มากกว่าดีกี่เท่าขนาดเราแค่ขนาดนั้นนะมันยังติดใจยังพอใจคนที่อยู่กับพวกนี้นานๆเ น, นี่ยคงต้องติดติดหนึบแน่เลยกาวทาชาแนะ่เลยแกะยากนะม า, าพวเจ้าเจ้าที่สอนเทวดามันพมสเอะสอทดาคมที่สอนยากพวกนั้นนะมันติดมันติดหนึบจะให้ รันะจะให้รักพบภูมิให้รักสิ่งที่มันเคยชินต่างๆนันออกยากมากมาว่านะอันนี้มันเป็นสิ่งที่นะก็เลยต้องสอนละเอียดหรือว่าสอนแบบนะแบบึึึึนึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึะึะึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ ความคู่กันมันก็ดีนะมันทําให้เรามันทำาเราให้เห็นแล้วก็มันหลุดออกมาได้ง่ายแต่ความสุขความสงบหรือตัวความรู้เนี่ยมันเป็นตัวที่ละยากมากนะเพราะมันจะพอใจพอใจมากนะงั้นบางทีทําสมถะสมถารมันก็มันก็น่าน่าระวังอยู่เหมือนกัน น, ะน่าระวังเพราะว่าหลายคนนะที่เราได้ยินข่าว ไปปฏิบัติธรรมแล้วดูเพีย้ยนะ่บางทีน่าสงสารนะไม่ใช่ว่าปรีดําเติมเพราะบางทีเขาทาแล้วก็ไม่รู้หรือครูบาอาจารย์ไม่ทันได้แนะนําอะไรบางอย่างมันเคยพอไปเห็นนิมิตก็ติดเชื่อนิมิดๆเห็นนิมิตไปเชื่ อ, อนิมดๆนะหรือบางทีมันก็มีอาการบางอย่างที่แบบปลกๆไปแล้วก็ไปหลงเชื่อตามสิ่งที่มันเห็นไม่มีครูบาอาจารย์คอยเตือน แต่พ่อวิจเกณฑ์จะเตือนนะน้องพ่อนิมิตนะมันเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ใช่ของจริงแต่ก่อนมันเกิดขึ้นจริงเรววาก็เชื่อมันเป็นของจริงแต่พอสองพ่อเตือนนะจะไมไ่เตือนแบบโดยตรงนะท่านก็พูดผ่ า, าวะหรือยกตัวอย่างอะไบางคนที่ก็เห็นนิมิตนิมิตมันเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ได้ของจริง ก็เคยมีคนเล่าอ่ะบางทีมีโยมนักปฏิบัติทำเดินจงกมไปมาคงลมลมกาบกัะเพื่อนบอกพระพุทธเจ้าเสด็จมากาบมากาบ ก, ก็ชวนเพื่อนมามากาบพระพุทธเจ้าเพื่อนก็ไม่เห็นนะแต่เขาเห็นคนเดียวยนะก็เชื่อมีพระพุทธเจ้ามาจริงๆหลายอย่างนะอาการนิมิตนะมันก็เป็นอาการของของสมาธิ ติเองนะมันก็เป็นอาการของของสมาธินะหรือแม้แต่พอขึ้นวิปัสนาญาณขั้นแรกๆนะมันก็ยะมีอาการของสมาธิแต่มันก็จะเป็นเป็นวิปัสนานะมันเป็นพวกไอพววิปัสนโนต่างภาษาที่หลวงพ่อเทียนใช้นะมันมีความสุขมันมีความสงบมันมีความรู้บางทีจิตมันก็ตื่น ตื่แบบไม่หลับนะมีสติทั้งวันทั้งคืนนะตื่นตัวตลอดเวลาก็วิปัสสนูนะอาการที่แบบทจิตมีเมตตานะมันอยากจะบอกอยากจะสอนอยากจะช่วยคนอื่นอนะ่ะก็เป็นอารมณ์นี้แหละอารมณ์อารมณ์ที่ระหว่างสมสาธวิ ป, ปัสนาเหมือนกับ ต, ต่อคู่กันเนี่ยนะคือเราก็มันก็มีนะมันก็มีอารมณ์พวกนี้ยมันเกิดขึ้นแน่นอนพอเริ่มเข้าใจอะไรเนี้ยอยากจะบอกอยากจะสอนอยากจะ แนะนำอย่าจะชวนคนนั้นคนนี้นะนนถึงทีพาวนาไปนะสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดไปสอนไปอ่านมะันมันเข้าใจทะลุปู่มโผล่เข้ามอไม่ต้องมีใครมา อ, อธิบายมันเข้าใจของมันเองหรือไม่ต้องมาทีดูเหมือนไม่ใช่เรื่องในหนังสือธรรมะนะ เห็นต้นไม้เห็นนั่นเห็นนี่มันตีความเป็นธรรมะหมดเลยออตีความเป็นธรรมะไปหมดเลยแล้วมันก็อยากจะพูดอยากจะบอกว่าเราเข้าใจนะเราเข้าใจนะเราเข้าใจองเนี้ยมันอยากจะบอกอืมถ้าเราเข้าใจนะจริงๆแต่มันก็มันก็มันก็เข้าใจถูกกันแล้วนะแต่มันมันเหมือนมันก็ชอบมันก็ภูมิใจนะมันก็รู้สึกอืมเราเก่งเราดีนะมันจะมีอารพวกนี้ยเข้ามาเจอ รู้อ่ะรู้ถูกอยู่เห็นอ่ะก็เห็นถูกอยู่แต่เพียงแต่ ว, ว่ามันสาภาวะอารมณ์มันไม่ปกตินะมันไม่ปกตินะมันไม่ปกติมันก็เลยมันเหมือนร้นนะความรู้มันร้อนมันมันอัดข้านทันใจโอ้ร้องไห้ดีใจนะอยากสะรพัดสิ่งเด็กก็ทงบวกทั้งนั้นเลยางดีทั้งนั้นเลยซึ่งเราไปก่อนไม่เคยเป็นอ่ะ มันก็เลยรู้สึกติดได้ง่ายก็มันแปกมันดีนะอะมันก็มีอะพวกนี้ยนะอ่าก็เตือนไวนะ้มันต้องมีแน่นอนแต่แต่เราจะดลนานหรือเปล่าเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะกลับมารู้สึกตัวได้บ่อยไหมได้เร็วไหมเนะี่ยมันก็จะค่อยเบาลงหรือบางทีเราก็ต้องชวนถ้าเราเห็นคนที่เป็นแบบนี้นนะพอทีต้องแก้เป็นไม่สนใจนะ มีขั้นหนึ่งมีมีอาจารย์คนนึง น, นะจนถึงเป็นโยม น, นะเป็นผู้หญิงมาปฏิบัติธรรมเขาก็ผ่านักเรียมาปฏิบัติเขาก็ตั้งใจปฏิบัติมากมาว่าเขาก็เข้าใจเกณฑ์พวกนี้นะเห็นสะพาวพวกนี้ยนไอ้มาก็เดินผ่านก่อนจะกลับกุฏิอเะนั้นไปกับเด็กมีเด็กตัวเล็กมันอยากจะไปเล่นกุติด้วยก็เดินไปอาจารย์เห็นพระเดินผ่านมาก็โอ้ จะมาเล่าอ่ะมาเล่าอ่ะอ่ากระดังได้อารมณ์ใหม่ๆจะมาเล่าว่าโอ้มันเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอะไรเงี้ยใครมาก็เลยแกลบบแกลบบไม่สนใจเดินก็คฟังไม่ให้หน่อยแต่ก็เดินไปก็รู้นะว่าเขาก็ิเขาก็เหมือนแบบใคล้ายๆมันไม่ค่อยพอใจนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าอยากจะเล่าอ่ะแต่เราไม่อยากฟังแต่ก็รู้ว่าเพาเขาติดอารมณ์ตรวนี้เยอะก็เลย ไม่อยากไปให้เขาไอา้หลงไปอยู่ในอารมณ์นั้นมากนะก็บอกว่าอะดีรับปลุอ่ะเดินเยอะๆนะเดินเยอะๆนะนะกลับมารู้สึกตัวเวยอนะแยะพอไม่มีคนแต่ไปเล่าในเขาเก็บอารมณ์แล้วก็อ่ะกลับไปมันก็ดีนะพอไม่มีคนให้เขาเล่าอะไรมากแต่เขากลับมาจุดกับความรู้สึกตัวไปบ่อยอารมณ์นั้นก็ค่อยๆคลายลงค่อยๆเบาลงเบาเบาลง มันก็ทําให้เขาเห็นตัวเองตระหนักเขาก็มาพูดคุมตัวเองมันก็เห็นว่าตอนนั้นมันอยากมันอยากพูดมันอยากเล่าไอ้เหี้ยนี่มันดูน้แต่พอมันกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวมันก็มันก็เริ่มสงบขึ้นนะเอ๊ะไอ้เรื่องคนนี้ยนะมันจะเจอมาว่าไอ้คนนี้มันก็มันก็ลยากนะถ้าเราไม่มีสติถ้าเราไม่กลับมามันได้เนี่ยมันจะติดนาน ในตัววิปัสสนูต่างๆเนี่ยมันจะติดนะมันน่าสงสารไม่ใช่ไม่ไม่ใช่น่ารังเกียจนะนะบางคนเห็นคนก็เป็นวันนั้นถ้าคนที่เข้าใจอารมณ์เนะี่ยมันจะเข้าใจนะบางครั้งก็บางครั้งก็ต้องปล่อยบ้างปล่อยให้เขาพูดบ้างนะแต่บางครั้งก็ค่อยๆดึงมานะนะจะเอาแบบดึงทั้งหมดห้ามหมดก็ไม่ได้มันทีก็ต้องปล่อยนปล่อยคือชักก็เยือกันลองๆนะจะเอาดึงทั้งหมดเลยไม่ไหวนะ มันกับเด็กนักบางทีเราจะคู่จะดูดอย่างเดียวก็ไม่ไหวบางทีก็ต้องปอกบ้างดูบ้านน่ะค่อยๆใช้กุดซาลบายต่างๆนะให้มันให้มันค่อยๆยู่ค่อยๆหยอบดับะค่อยๆเห็นนันเหมือนน้ำมันร้อนนะน้ํามันร้อนมันดีนะมันทำให้เชื้อโตมันตายทำให้มันสะอาดขึ้นแต่มันกินไม่ได้ บางครั้งสภาวะร้อนพิชาเนี่ยมันมันก็ดีนะแต่มันยังแต่มันแบบคือสิ่งที่พูดแหละมันถูกมันใช่หมดเลยนะแต่คนฟังมันสัมผัสได้ว่าคนพูดมันมันร้อนเือนหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยที่อะไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่บางทีมันก็ต้องระวังตัวนี้ระวังตรงนี้นี่คือมาว่าสภาวะพวกนี้แหละนะมันก็เกิดขึ้นได้แต่มันก็จําที่หลวงพ่อเขียนเขาบอกว่า อารมณ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะกลับมารู้สึกตัวที่ฐานกายให้ได้มันจะทำให้อารมณ์พวกนะี้มันจะค่อยๆค่อยๆจางค่อยๆจืดค่อยๆนะเรียกว่ากลับมาเป็นปกติถ้าสมมติเรียกว่าน้ามันร้อนนะน้ำมันร้อนอการกลับมารู้สึกตัวให้มันได้เหมือนปล่อยให้มันเย็นปล่อยให้มันกลับมาเป็นน้ำในอุณหภูมิปกติเราถึงจะกินได้ ตอนที่มันร้อนมันกินไม่ได้แต่ตอนที่มันกลับมาเป็นปกติมันกินได้นะฮะบนงทีหลวงพ่อก็พูดเปรียบเทียบเหมือนเหมือนข้าวเหนียวนะต้องให้มันนิพพานก่อนหรืออะไรเราหุงมันร้อนมามันร้อนต้องมาทำให้มันเย็นขึ้นได้ไหมให้มันเย็นนะทำให้ข้าวมันนิพพานทำให้ข้าวมันเย็นติงกินได้กินแบบตอนนั้นมันก็มันก็ลวกลิ้นนะ มันก็สุกแหละแล้วใช่แต่มันมันมันทําให้ลวกวลินทําให้เราต้อนอารมณ์ก็เหมือนจันนะอ่ให้เราสังเกตตัวเองนะหรือถ้าเป็นเครื่องปฏิบัติกันก็ตือนกันดีๆเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแบบนั้นเตือนค่อยๆค่อยๆดึงให้เขากลับมามีสติกลับมาอยู่ที่ไหนกลับมาอยู่ฐานกายให้เยอะบางทีอารมณ์พวกนี้นะมันจะทําให้เราออกไปรู้รู้นอกตัว เยอะขึ้นหรือว่าอยากจะไปพูดไปสอนข้างนอกเยอะขึ้นนะกลับมารู้ตัวไปบ่อยมันจะทําให้มันเกิดความปกติได้มากขึ้นแล้วพวกพรมต่างๆพวกเพวงต่างๆมันมีความสุขความสบายความสงบมีปัญญาเยอะมันทีก็ยากเพราะว่ามันจะไปติดไปพอใจตรนนั้นนมันจะไม่ค่อยอยากกลับมารู้สึกตัวมันจะไม่ค่อยอยากกลับมารู้ทุก นะเห็นทุกต่อมันะมก็เลยตําแบบเรียกว่าต้องขนาดเยอะต้องมาใส่อุบายเยอะนะอันนี้คือเรื่องของอริธรรมนะที่จริงมันก็เยอะมากนะแต่บางอย่างมาว่ามันเยอะกนะ็เราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดนะแต่ที่จริงธรรมะไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้นะพระสูตรก็มีเยอะมากนะอริธรรมนี่ก็ละเอียดเยอะมาก แต่จริงธรรมะนะไม่จเป็น่ยนจห้เป็นต้องเราก็ไปรู้เรื่องอธิบายได้ทั้งหมดทุกอย่างไม่จำเป็นนะเอาแค่บางบทอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันมันใช่เลยแต่ขอให้มันทําจริงๆเถอะนะอะไรก็ได้นะอย่างเช่นอย่างตรวจอภิธรรมแปลแ ต, แตอนแรกมาก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ที่จริงบทแรกนะที่ตรวจ กุศลธรรมะอคุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะทำทั ata, 駕駕駕駕駕้งหลายนะเป็นกุศลก็มีทำทั้งหลายเป็นอคุศลก็มีทำทั้งหลายที่เป็นอัพยากิจก็มีอัพยากิจคือเป็นกรรมกาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอคุศลแค่บทแรกเนะสามสามบักนี่นะเอาว่าอันนี้แหละอันนี้ตอนแรกมาก็จับไปในะอ๋อที่จริง โดยธรรมชาตินะมันก็มีสามสภาวะนี่มันหนีไมนพ้นเลยแต่ตอนเราปฏิบัติอนะ่มันย้อนกลับมาดูตอนเราปฏิบัติเราปฏิบัติเราอยากจะเอาแต่กุศลเราปฏิเสธเราปฏิเสธเอากุศลไม่อยากให้มีเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะเอากุศลมันก็มีนะกุศลมันก็มีที่เป็นก ล, กลางมันก็มีนะะแต่มาว่าที่จริงไอ้ตัวสติมัเป็นตัว จะเร็ยกว่ากุศลก็ได้นะแต่ม ว, ว่าถ้ามันจะรตกว่ามันเป็นตัวอัพยากจตัวที่เป็นกลางตัวที่อยู่เหนือเหนืออกุศลเหนือกุศล ส, สภาวะสติเนี่ยเป็นสภาวะที่มันเป็นกลางมันพ้นคือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่ดีหรือไม่ไม่ใช่ชั่วแต่เป็นสภาวะที่มันพ้นมาพ้นมาคาวา่ากลางไม่ใช่ระวัง ดีกับชั่วแล้วทีนี้คือตรงกลางไม่ใช่นะแต่หมายว่าอภัยจิตมันคือพ้นพ้นขึ้นมาพ้นขึ้นมาไม่ไม่หลงในถูกผิดไม่หลงในดีชั่วไม่ไม่หลงในกุศลอกุศลมันคือพ้นออกมาแต่กุศลอกุศลนั่นก็มีถูกผิดมันก็มีแต่ตัวสติอะมันจะพ้นเหนือออกมาเป็นผู้ดูเห็นมันกุศลก็มีอกุศลก็มีนะในจิต น, นี้ แต่เราไม่ติดทั้ง2อฝ่ายนะอันนี้คือมาเขาไอ้แค่นี้ก็ใช้ได้นะมาตัวตึกยางงั้นนะเอาเอาแค่นี้ก็พอละอันอื่นไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะแต่พอสวดไปเรื่อยนะก็มาชอบอยู่บทหนึ่งบทบุคโลบุคโลเป็นเรื่องของบุคคลนะที่เขามีบุคคลกับมีปรา ม, มัดอะไรนะ เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้ในปรมัตนั่นคือความหมายันแท้จริงมาใช่เลยนะบุคคลคืออะไรน่ยบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นสัดบุคคลตัวตนเราเขานั่ยนะเราจะไปหาบุคคลหาเราหาเขาหาสัตว์ต่างๆชีวิตต่างๆในปรมัตมันไม่มีปรมัตคือความหมายอแท้จริงความหมายที่แท้จริงคือมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละ จะไปหาตัวตนในในปรมัตินั้นไม่มีนะตัวตนมันมีแต่ในสมมุตินะเป็นพระเป็นโยมเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้คือสมมุติแต่ปรมัติแล้วไม่มีไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขานี่คือสภาวะอนัตตานัตตาคือมันไม่มีตัวตนโดยความหมายที่แท้จริงนะมันมีตัวตนตอนที่มัน อยู่ในสมมุติเป็นคนเป็นพระหรือเกิดเป็นความโกรธความโลภความหลงก็ดีมันคือตัวตนในสมมุติแต่ในปรมาจา์แล้วมันไม่มีความโกรธที่แท้จริงไม่มีความโลภที่แท้จริงไม่มีความหลงที่แท้จริงไม่มีเราเป็นผู้โกรธไม่มีเราเป็นผู้โลภไม่มีเราเป็นผู้หลงไม่มีเราเป็นผู้ทุกมีแต่ตภาวะ มีแต่สภาวะประมามัดแมีแต่สภาวะสะภาวะที่เป็นธรรมชาติธรรมดาจริงๆเน่ยมันไม่มีเราถ้าเรามีสติจริงอะ่ะมันจะเห็นมันไม่ใช่เราเป็นมันเป็นเห็นความทุกข์เห็นความโกรธเห็นความโหภเห็นความหลเห็นเป็นอาการเราจริงๆไม่ได้เข้าไปเป็นะนะนี่คือปรมามัดที่เราสติมันจะทาให้เราเหนือออกมาพ้นออกมานะอันนี้คือ มันเข้าใจได้ไม่ใช่ก็ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปอะไรมากคือไม่ได้อา่านอธิบายแต่มันรู้สึกว่าสติมันจะทําให้เราเข้าใจนะแต่ก็ไม่ใช่ไปปิดยึดนะ่ะเขาก็จะ ว, ว่าผิดก็ไม่เป็นไรมันสติความแบบที่เราเข้าใจนะมาว่าโดยความหมายจริงๆอะ่ะคือมันเป็นเรื่องของความเข้าใจนะมันไม่ได้เรื่องของความรู้ ความรู้ว่างที่อ่านตำราไปศึกษามันก็เกิดความรู้เกิดความรู้แต่เราภาวนาจริงมันเกิดตัวรู้ความรู้กับตัวรู้อมันต่างกันนะไอ้ความรู้เนี่ยมันต้องมันต้องเรียนแบบตามโลกเรียนแบบศึกษามันเกิดความรู้เรียกว่าปริยัตินะเป็นความรู้แต่ในการปฏิบัติมันจะเป็นไอ้ตัวรู้เกิดตัวรู้ขึ้นมาแต่โดยปณมัติจริงๆมันก็อีกระดับหนึ่ะที่ ไม่ติดทั้งตัวรู้ไม่ติดทั้งความรู้งั้นเราศึกษาธรรมะไม่ใช่เพื่อ <_ s> เพื่อ <_ s> อะไร <_ s> เพื่ออธิบายให้มันเก่งๆ <_ s> หรือว่าไปตกเฉียงแลกเปลี่ยนกับผู่คนโตแยงต้งะไรต่างๆไอ้นั้นบางทียังติดความรู้ยังติดว่าเรารู้ก็ได้นะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่จริงภามนาจริงนะไม่ ไม่ไม่อยากไปโต้เถียงกับใครนะเขาจะว่าถูกก็อ่ะก็ถูกของเขาเราก็เข้าใจนะแต่จะให้ไปโตไปเทียงไปอะไรไม่ไม่นะแต่ถ้าเขามาถามความเห็นมาถามสิ่งที่เราเข้าใจอ่ะก็ไปพูดแต่ไม่ได้พูดเพื่อจะไปไปไปโจมตีไปแข่งขันนะก็พูดในสิ่งที่เรารู้ก็จะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาอาเนอะนี่คือ ถ้าเราศึกษาธรรมะจริงนะมันจะมันจะไม่ ไ, มไปยึดในความรู้แล้วก็ไม่ิดติดในตัวผู้รู้นี้นสําคัญมากนะคือการที่เรามันก็ปล่อยวางเพราะแน่นอนะสิ่งต่างๆเนะี่ซึ่งมันบางทีถ้ า, ถาเราไม่เห็นเนาะมันจะมีคนที่รู้ธรรมะเยอะมากแล้วก็เถียงธรรมะ ก, กั น, นโพสธรรมะ ก, กันพูดธรรมะ ก, กั น, นแต่ แต่ตอนเจอปัญหาจริงๆนะทุกนะเอาถูกเอาผิดเอาแค้เอาชนะนะเอาเหตุเอาผลเนี่ยไอสามบทนี้นะเลาพ่อเขียนพูดนะมาเขียนในใจมากหลวงพ่อบอกไม่เอาถูกเขาผิดไม่เอาแค้เอาชนะไม่เอาเหตุไม่เอาผลหรือบางทีก็บอกไม่เอาดีไม่เอาไม่ดีไอ่พอเราเรียนทางโลกเลาอยู่ทางโลกนะมันวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์ต่างก็ จะสอนเรื่องเหตุเรื่องผลเนาะหรือเราเรียนกฎหมายเรียนศินธรรมก็จะมีอันนี้อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะอะไพวกนั้นนะพอมาตึกษาธรรมะของพ่อเวอร์มนนะมันมันตีมามันตีกันแต่มาว่าสะเพามันตีอมันตีนะตีไงนะมาว่าถ้าหลบถ้าเชื่อหลบพ่อแบบไม่เข้าใจมาว่าพ่ก็ไม่ใช่ มันตีคือมันค้างที่ความเข้าใจของเรามันเหมือนเหมือนสารอกสารอกความความคิดความเห็นที่มันที่มันไม่เชื่อที่มันต้านพวกนั้นนะมันก็อาศัยเวลาอาศัยเวลากลัวมันจะเข้าใจกลัวมันจะตกตะกอนคล้ายๆเหมือนน้ํำมันค่ณเอาสารพวกมันกวนกวนกวนกวนจนทั่งแยกได้ระหว่างน้ํากับตะกอนที่มันตกตะกบออกมา ธรรมะมันก็เหมือนเข้าไปกวนจิตของเรานะไอ้กวนไอ้การยึดมั่นถือมั่นความคิดความเห็นที่มันผิดของเราแนะ่ะมันจะเข้าไปกระแทกนะกระแทกอัตตายแทกมานะแทกตัวตนที่มันยึดตัวนั้นนะกระแทกเข้าไปกระแทกไปเลยกระแทกแรกนะไม่หยุดไม่ยอมเพราะว่ามันยังไม่พุกพอจริงนะถ้ามันไม่พุกข์มันไม่ยอมวางแต่เราเกิดเรื่องอะไรนะเราเรารู้สึกว่าเราผูกเนะี่ย เราจะไม่อยากวางอืมเราจะไม่อยากวางเลยแต่ยึดไว้แต่ยึดไว้ตอเมื่อเราย้อนกลับมาเห็นว่ามันทุกข์เห็นว่ามันทุกข์มันถึงจะอยากวางอืพอวางแล้วโอ้ยค่อยๆใจที่จริงมันทุกข์ไม่ใช่เพราะเขาทำนะเพราะก็เรายึดว่าเขาทําผิดเรายึดว่าเขาผิดยึดว่าเราผูกมันยึดตรงนี้ใมันทุกข์ ยึดว่าเราดียึดว่าเขาไม่ดีมันทุกข์มันเกิดอะไรก็แน่เยอะมากนะมันจะเห็นหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันควรจะยึดนะแต่าแต่มันยึดแต่มันทุกข์อ่ะมันมันก็แปลนะไอสิ่งที่ยึดมันก็ถ้าทางโลกมันก็ว่าดีนะแต่ในทางธรรมะมันทุกข์ทำไมถึงแบบนั้นนี่นันก็สมัยอย่างหลายๆเหตุการณ์ยังอยู่กับครูบาอาจารย์นะบางที ครูบาจารย์ไม่ได้สอเป็นคําพูดแต่การกระทำบางอยา่างมันมันก็แทกัตาของเราอย่างเช่นมายก็พูดหลายครั้งนะ้ะบางทีอยู่กับหลวงพ่อนะอย่างตัวอย่างทชัดๆนะเช่นวันหลวงพ่อจะชวนไปไหนนะบางทีนัด ก, กันจะไปตอนบ่ายโมงพอปุ๊บปั๊บปุปั๊ปบถึงเช้าแต่็จหลวงพ่อไปเลยไปตอนนี้แหละไอเราก็แบบประเทศบ่ายโมงก็คือบ่ายโมงปิดใช่ไหมนัดเป็นเวลาในตาราง เราก็จะมีอะไรทําตอนเช้ามันพ่อมาเปลี่ยนแผนปุกเนี่ยไอ้เราก็ต้องเปลี่ยนแผนตามนะที่จริงมันเปลี่ยนแผ น, นก็ไม่ได้ยากนะแต่เราเอไปคิดว่ามันต้องแบบนี้สิทําไมครูบาอาจารย์พูดคํานี้แต่ไม่ทําตามที่พูดนะมาเปลี่ยนมันจะเปรียบเทียบเหตุผลสารพัดมากมายนะแล้วเราก็เราก็เราก็ทุกเองแล้วมันพก็จะเป็นแบบนี้หลาครั้งเราก็ประเภทโอ้ ปวดหัอนกันคือเราก็เรียนมาแบบทางโลกนะมันต้องมีมีดัก ม, มีการมีแผนมีนั่งมีนี่แต่ตเรากนะ็เหนือโลกไงเหนือโลกแตเพราะคำว่าเหนือโลกจริงๆคือตามเหตุทำปัจจัยไม่ใช่ตามใจนะไม่ใช่ว่าทําตามใจแต่มันมีเหตุให้เปลี่ยนท่านก็เปลี่ยนไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแบบตามใจน ะ, ะแต่ก็ไม่แน่บางครั้งอาจจะ เปลี่ยนแบบลองใจเราหรือเปล่าก็ไม่ดูนะแต่แต่มันก็ดีอ่ะมันทำให้เราเห็นว่าไอการที่เราไปยึดในแบบแผนมากๆมันเป็นตัวทุกข์บางทีขอโทษเธอที่แต่มันมันมีจริงในลึกๆจิตใจนะเอยู่กับครูบาอาจารย์อ่ะบางทีไม่ได้มีแต่ความสึกเคารพความสึกดีๆตลอดหรอกบางทีมันก็มีความจับผิดมันมีความ อยากจะตรวจสอบมีการเปรียบเทียบกับตำรับตําราเราคิดว่าอย่างคนที่มีธรรมะต้องอย่างงั้นทีนี้เรจะมีมาตรฐานเราคิดว่าเราจะเอามาตรฐานที่เราคิดว่ามันมันใช่อะไปไปหาคนเช่นอครูบาอาจารย์มาเปรียบเทียบมาใช่เป่าเหมือนติ๊กติ๊กอ่าเช็คลีดอะนะประมาณน่ะอืามันจะมีความรู้สึกพวกนี้นแต่มาก็แอบแอบไว้ในใจนะไม่ไม่ได้พูด แต่เราไม่ไปพูดกับคนอื่นอะไรมากเลแต่เราเหมือนอมีมาตรฐานของตัวเองแล้วก็คอยคอยดูคอสังเกตไปนั่นนี่แต่ไม่ให้การไปคอยจับผิดอะไรแบบนั้นอะแต่มันรู้สึกว่ามันจะเกิดไอ้เรื่อง้นละขึ้นเกิดเรื่องพวกนี้นขึ้ น, น, นแล้วพอถ้าท่านทําอะไรที่มันเราคิดว่าไม่ถูกอย่างที่เราคิดมันจะรู้สึกบางทีก็ไม่พอใจใช่ไหมแล้วความไม่พอใจใครทุกไอเราทุก เออเราไม่พอใจเราไปเสียเที่ยวต่างๆเราไปหาต่างๆเนี่ต้องทุกข์นะอ่าเพราะว่าคนก็ว่านของพ่อท่านเป็นพระราหารันหรือท่านพ้นทุกข์แล้วนะเราก็คิดว่ามาตรฐานมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ตอนหลังนะมาแตมาอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคารพนะแต่มว่ามาพมันถีนตัวเองทุกข์บ้างนะท่านจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของท่านแต่คือ ไม่เท่าไหร่อะอะไรท่านนะประมาณว่าแต่เราเองมันทุกนะเราเองมันทุกเรามาแก้ทุกที่ตัวเราดี ก, กว่าคือไม่ไม่เอาเกณฑ์ไปไปวัดไปตามศีลท่านละเพราะบางทีเราก็เราเองเกจะไม่เข้าใจแต่เราปคิดว่าเราเข้าใจใช่ไหมโดยเอา่าศัยตำราอาศัยเหตุผลมาบัญญัติปัญญามามาเทียบอะไรต่งางซึ่งมันถ้าทําไป แต่มันก็ต้องเข็นตัวเองทุกเยอะๆนะมันถึงจะมันถึงจะวางแต่ก่อนก็ไปตามส า, ม น, นะสามนักนั่นสำนักนี่ไปดูว่าไอ้ไหนดีกว่ากันไอ้ไหนอยากจะมาทําให้มันดีๆ่นะแต่ไปดูจริงๆมันก็ไม่มีอะไรดีกว่ากันจริงๆนะมันเป็นสไตล์วิธีไหสไตล์แบบครูบาอาจารย์แต่และสไตล์ก็มีสไตล์ต่างกันนะแต่ก่อนเราคิดว่าแบบเหมือนโรงงานเนาะ ตัวตะวันแบบนี้อาหารเป็นแบบนี้เหมือนต้องมีบล็อกอะแบบบล็อกเป็นแบบเนี้ยไปหาไปหาบุคคลไปหารูปแบบไปหาอะไรต่างที่เรามีเกณฑ์ของเราแต่จริงเป็นความโง่เ่ยเป็นความไม่รู้เราก็เลยไปคิดว่ามันเป็นเป็นวัตถุเป็นอะไรที่มันจับต้องได้หรือเห็นด้วยเป็นรูปธรรมแบบนั้นแต่จริงมันก็ต้องเห็นบ่อยๆต้อบ่อยๆหาจนสร้างมันเดือ มันเบื่อนะมันกลับมาหาตัวเองแทนนะมันจะเป็นเหมือนแต่ก่อนไปหาคนอื่นต่อไปมันก็กลับมาหาตัวเองนะหาว่าเราพุกข์เพราะอะไรแล้วเราก็จะค่อยเห็นว่าเหตุของความทุกข์ของเราเพราะอะไรทุกข์เพราะเราไปเกลียบเทียบทุกข์เพราะเรามีมาตรฐานทุกข์เพราะเรา เ, เยอะทุกข์พก เ, พ เ, กพกเพราะเหตุผลของเราทุกข์เพราะเราติดดีอะไรต่างๆมันจะค่อยๆเห็นตรงนะ ค, ค่อยเห็นแต่ไม่ไค่อยค่อยดูดนะไม่ค่อยดูดก็ค่อยวานี่เราทุกข์กับตัวนี้นะถ้าจะหาอะไรไอ้ตัวนี้น่าหากว่าอุบาจจะเป็นแบบไหนเรายกไว้เพราะจริงท่านดีก็ดีเรื่องของท่านถ้านไม่ดีก็ไม่ดีเรื่องของท่านนี่พูดแบบแบบรลกนะคือคือท่านดีก็ไม่ใช่ว่าเราจะดีตามถ้าเรายัางทุกข์อยู่แบบนี้นะ ม, มันก็เป็นเรื่องของ แต่เบุคคลนะเราไม่สามารถเอาจิตของเราไปไปเกลียบเปเที่ยวไปวัดอะไรได้นะมันก็ค่อยๆเห็นว่านี้นะักเห็นค่อยๆแต่พอจิตเราเห็นพวกนี้บ่อยๆเราก็จะเข้าใจว่าเออมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องการแสดงออกภายนอกหรือเป็นเรื่องที่เราจะไปหามาตรฐานแต่จริงมันเป็นเรื่องที่ท่านอยู่อย่างไม่ทุกนะอันนี้คือสิ่งที่มันเหมือนกันคือ ท่านพูดท่านทําท่านคิดอะไรต่างาท่านทํำตามเหตุตามปัจจัยตามอุปนิสัยแต่ทําด้วยความไม่ทุกอืมทําแบบไม่ทุกจริงๆนะหลายครั้งเราจะเห็นชัดมีหลายครั้งที่บางทีไปกับหลวงพ่อมีงานก่อสร้างที่วัดนะที่หลวงพ่อเห็นชาวบ้านทําไม่ถูกท่านดูนะดูแบบดุแบบว่านนะเรานั่งไกับหลวงพ่อนะก่อนหลวงพอดุบบว่าชาวบ้านเสร่จ พอกลับมาในรถเขาปกติคือเปียกว่าสแสดงสแสดงบวชถูกแถวบ้านตัวรู้สึงว่าข้อถูกข้อโกจริงๆเนะอืะแต่พอนั่งรถกลับมาด้วยกันเขอก็เไม่มีอะไรบางครั้งสแสดงก็สแสดงสแสดงเพราะว่าคือถ้าไปพูดท่านก็คงพินนะถ้าไปพูดดีๆพูดจริงๆนะก็คงแบบหลงพ่อคงอะไรก็ได้ไม่ได้ก็คงไม่ ไม่แก้ไขไม่กลัวอะไรเป็นไนะที่หลวงพ่อก็แสดงซึ่งเราก็เห็นวันนี้นอ๋อถ้าเราเห็นแต่ตอนที่หลวงพ่อแสดงบทสวดอดิชิต ว, ว่าหลวงพ่อคงยังโกรธอะไรมากอยู่นะแต่คือการแสดงที่ท่านแสดงแบบสมเด็จทำโลกนะะแในทางธรรมะเราท่านะาาไม่ได้ไปไปโกรธเขาจริงๆ น, นะท่านก็แค่แสดงให้เห็นว่ามันมันไม่ควรทําแบบนั้นแ่ะ แม้ท่านจะสอนเราไม่ให้เอาถูกเอาผิดสอนเราไม่ให้ไปยึดในเหตุในผลในตาแต่จริงแต่ในทางโลกนะ่ะมันก็ทำอย่างนั้นนะแต่จริงลึกๆจริงคือท่านไม่ให้เอายึดเหตุต้นนี้ยมันเป็นเหตุทําให้เราทุกข์ท่านให้เราก็มาเห็นให้ทําแต่ไม่ยึดทําตามเหตุตามผลตามหลักตามกาลตามผูกตามผิดทําโลกนั่นแหละแต่ทําแบบไม่ยึดตรงไหนนี่คือธรรมะนะ ไม่ใช่จะเอาแต่ปรมัตปล่อยวางทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาสมมุติก็ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสมมุติอย่างปรมัต <c oughs> เกี่ยวข้องสมมุตินะให้มันถูกทามโลกแต่มีปรมัตที่ที่ไม่ผิดพลาทำแบบนี่เยอะมันมันอัศจรรย์นะอัศจรรย์ในความลึกซึ้งของของธรรมะนะซึ่งมาว่าก็เชื่อว่าเนี่ยเราภาวนา ไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยเราจะเห็นไอ้ร่องพวนี้แล้วเราจะเข้าใจในตัวงเราเองนะไม่ใช่ปิดเชื่อในสิ่งที่มาพูดนะไม่ได้พูดให้เชื่อเราไม่ไม่ใช่พูดให้ไม่เชื่อพูดให้ฟังเฉยเฉยนะพูดไปเฉยเฉยนะแต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะมันก็จะเกิดความเข้าใจในแบบของเรานะไม่ใช่แบบของจามาเกิดการพูดอนนธิบายในแบบของโยมแหละอะไรแบบไหนก็ได้ ในแบบที่เราเห็นความพุกแล้วก็เห็นความยึดติดถือมั่นเห็นอุปทานในตัวเราเนี่แหละแล้วก็มันพอหเห็นแล้วมันค่อยๆค่อยๆรักค่อยๆลดค่อยๆพลาดต่ดอไปนะคือเห็นแล้วมันจะมันจะบุบไปเรื่อยๆนะบุบไปเรื่อยๆจริงเห็นธรรมะไม่ใช่ว่าเห็นแล้วมันจะได้อะไรนะมันไม่ใช่ได้นะแต่ก่อนเราก็คิดนะบุญ่ะคือการสะสมเหมือนได้เหมือนสะสมเงินนะคิดตลอดนะสะสมสะสมสะสม มันได้สิ่งของเยอะๆเนี่ยคือเรามีบุญเยอะเราได้อะไรเยอะกุศลก็มันนึกว่านั้นแต่ภาวนาไปจริงมันเหมือนรู้สึกบุญกุศลจริงจริงมันเหมือนเอาออกเอาออกเอาออกสละสละสละอะไรที่มันยึดติดคือมั่นเอาออกเอาออกมันเบานะเมราว่า้บุญกุศลจริงคือมันเอาออกมันสละไม่ใช่การสะสมนะไม่รู้สึกืนกันนะนี่คือมันรู้สึกแบบนั้นนะนะ มันก็มีอยู่ในทางโลกมันก็มีเราก็มีมากกว่าเก่าแหละบวชป้นั้นก็มีของมากกว่าเก่าแต่มันก็มีแบบเออมันก็ไม่ใช่ของที่เรามันจำเป็นนะที่โยมมาถวายนะรองเท้าสามสี่ข้วมันก็ใส่ได้ทีละขั้วนะไม่ต้องมาถบายเยอะก็ได้นะพีวรนอะก็เหมือนกันก็มีเยอะนะมันก็มีแบบใช้นะใช้ใชใช้ใช้ตามเหตุตามปัจจัยไป อันนี้ตีนะก็ให้เราอย่าหลงอย่าหลงสมมุติแล้วก็อย่าหลงปรามะสมมุติก็ทำให้ถูกปรามะก็ต้องมนะีบางคนศึกษาอธิธรรมศึกษาธรรมะมากๆทิ้งสมมุติจะเอาปรามะก็ไม่ใช่นะนะไม่ใช่ไปยึดความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็มีนะบางคน บอกชัดไม่เยึดมันถือมันละที่จริงก็คือไปยึดความไม่ยึดมันถือมันเนยึดการปล่อยวางเหมอนนะอืนะปล่อยเป็นกลายเป็นปล่อยปากได้เลยมันก็เยอะมากเลยนี่คือมันหลมแบบสมมติที่ีลมปัจจาบันบบที่ ท, ที่มันละก็ฝากไว้ครับอ